จให้มาพูดเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดมรรคอริยมรรคอริยกประเสริฐมรรคแปลว่าทางทั้งทางอันเอกทั้งทางอันประเสริฐที่มุ่งเป้ลงมสัตว์ทั้งหลายได้เข้าเขา้าสู่ปัพญามีแอย่างที่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกตปโ สัมมาวจจะสัมมาคมโตสัมมาอชิโรสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมรวมลงอยู่ที่สัมมาสัมมักแตอันอนเกี้องกันพูด็ี่ยวกันเดียวกันเพราะว่าย่อลงมาก็คือศีลสมปชัญญะหลักหลอดกคือศีลสปัญญา ถ้าเป็นใครรยาโยมก็ทานศีลภาวนาถ้าเป็นผ้าสององ์เมตตเลศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาต่อยอมาใจใหญ่แรวแต่เนี่ยคนนั้นชื่อถ้าใจเป็นปกติก็เรียกว่าศีล ถ, ถ, ถ, ถ้าใจเป็นสมาี่ก็เรียกว่าจิตตัง ใจเปิดปัญญาหอกให้มองทกางแล้วเกิดปัญญาสิ่งสมัยที่ปัญญาใ้แก่าดูที่แก่กับเ้าผู้กรด้า้ปวดขยายออกพูดย่อสิ่งเราเยใจสมายที่ตนเคใจปัญญาเลยใจหอกให้มองสุกทางมีท อลาลัยสัตสีกสิดปดไปไหนทางทุกข์สมถะ ไ, ไ, ไ, ไ, ไมัรู้มักปงไม้ปงปัญาทางทางทางหลักทุกข์แทางปฏิบัติไปไม่ทราบเอาไปไปไปมาปวดรักรักไปเราไงเข้าใจแล้วทุกข์คืออะไร ทุกทั้งหลาย h ็คือการห้าย้อนมาเนื้อหรนามสนามสีอะไรก็คือทุกย้อนมาใจตราอก่อคือผู้ประทันหาดยารหด้วยนาม้าเกิดด้วยการ้เกิดอะไรเข้าใจไหมก้เกิโลกเกิดก็ย โลกดบทั้งงานช่วยดับต้องเข้าใจนี้ได้วยงานดินงานลงใปอากาศปิญญาเหน่ยโล้ภายในเนื้อเยื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์โลกภายนต้องควบคุมก่อนรูเสียงปลิดรสปดพระอรรมาลกคือโลกภายนอกเมื่อโลกภายนอกก้อโลกภายใน เกอดวิญญาณโลภเกิดเนี่ยวาโลกเกิดวิญญาณม่อะไร่างๆนามิจน้อมออนวอนอารมณ์ทนนามกุศลิจน้อมออนวอารมณ์เวทนาสัญญาสังขทะเกิดกับดับว่ากันว่าโลกเกิดกัดับว่างกรู้อย่างโลกเกิดหรอยง ถ้าไม่รู้จักโลกเดยวเราพูดไปเรไม่มีความหมายโลกกับทันหนาคืออะเดียวกันต้องคอนเทนต์าสีน้ำลงไปอการก็แล้ลกวินเดียเคยรลูต่างาลุกันเมื่อทันหนามันจะมีอายาจักรน่าตา่จะมีไม่ไดเมื่อไประทบต่าลุกไปนอก เปยุ่งยากยากเขาเรียกว่าตั้งหน้าเกิดแล้วกดับดูยางคิดออกะเข้าใจไหยฮะนี่แหละเกิดดับตั้หาเกิดแล้วก็ดับมันเกิดมันดับาอย่างนี้แต่ละครั้งเรีกว่าเกิดพบนลตัหาเกิดพกวันหนึงันตั้งหาเกิด นับพบได้ไห้นนับพบได้ไหมนับไม่ได้อเนกอันนั้นนับไม่ได้ายในโลกคู่โล่เกี่ยข้างผมเลยเสียงมันเกี่ยนเกี่ยงีนมาโรงพยาาที่เกี่ยงไม่รอดเกิดดับความเกิดก้อนดับนี้มาเป็นอริยสัจจีคือทุกข์อันนี้หม่ยถึงการหนาที่อริยสัจ โลกนันหาด้วยอาตยศักสีโลมันเกิดแบบกทุกสมุทัยเนี่ยเกิดทุกต่อเราโ่นาทางเาหนนีโลกเพราะรู้วันหน้าเป็นเพียงขาตมีน้ำล ง, ปล ง, งไปอากาศเป็นยาประชุมนขึ้ น, นไม่ใช่แส่ถุกคนตัวตนเาเขาที่เขาว่าัส่ถูกคนตัวตอนเราเขาเนี่เพราะเพโลกออกมาสมุิขึ้นมาช่าไใน จโยกยันเฉยพอเข้าใจนี่แหละขันห้าสมุนไทยไม่โลมักความรู้สติปัญญาเอามาดับคก็ได้เระจารมากมีองเปซึ่งจะพูดในวันนี้มากมีองเปอุปทานขันห้าเพราะอะไรอุปทานเราเพราะว่าเราหลงหลงมาขันห้า หลงสมุดทันห่างาจริงจริงมีไหมันห่างจรจริงมไหมฮะเดียวตาฟังเดี๋ยวนั้นหลักกาจะไม่เข้าใจทันหจริงมีไหมีโดยสิ้นสุคนจริงจริมีไหไม่มีมีโดยสม้นสุเราจริงไหมไม่มีมีโดย ส, ดยสแต่กว่าเราเป็นวิชาจริงเป็นอวิชาทีทค น, คนมมรู่จริงรู้หลง้ว มีสัตว์ุกลตัวหนึ่เมื่อตารลุกก็เลยเมื่ออาจะมาใต้เนาะไม่แม่ก็บกันเกิดตัสับถงเรื่องสำคัญเราสำคัญคนคือหลงว่ามีสัตว์ุกอยู่ทิ้งไปยึดถือเอาว่าเราเห็นเราได้ก็เลยเกิดนี่แหละหรือหรือสมุก็เลยเกิดการมาต่า สมุทยัยเกิดปันหาขึ้นก็่มหมเมื่อมารู้เราว่ามันมีสัตว์กนเย็นแบบเ้าเองเย็นสัตแต่ว่าเยินไม่มีใค ร, ตรปปปป ไ, ไ, ไปรับไปรู้ออกิตของเราว่ว่าไม่ยินดีไม่เย็นน่าอยู่ในสมุทติมัาติปปิกธาข้อปฏิบัติแม้ถึงความแตกต่างก็ไม่เย็นดีไม่เนนาเรียกว่ามัชฌนาหรือเวร เอกข้าวันอันเดียวกันบุเรขาตัวรู้เจอไม่ยนดีไม่ยิไร้ายคมนี้ว่าต่างอยู่อ่าวันนีจะพูดเรื่องสมาธิทิ่มีความเห็นชอบควาเป็นตรงตวาเห็นถูกต้องเรื่องามมั่ที่และเดียนี้เราเป็นวิจชาทิ่ดิอยู่ใช่ไหม เห็นผิดมเนยเห็นผิดว่าแต่ว่าว่าสกุลกลนี่คือสัตว์คือคนคือตัวคือตนคือเราคืเขาเราไปยึดเอาสมมติรือเอาสมมติมานแก่ดิเขาบอกคนกวว่าเป็นคนจริงๆไม่มีเหตุผลพสารวไม่มีคนเชื่ออย่างงงเชื่ออย่างงงเชื่อตามเข้ามา เสี้ยการเรื่องเนยฟังมาเขาว่าคนก็เลยว่าคนใช่ไหมเขาว่าเราก็เลยถือว่าเป็นเราเมื่อเราเข้ามาวันนี้วนนีเจ็บปัญญาสัมมาทิฐิไม่เข้าใจนะอ่าปกติเราหลายจังทาตัวให้เป็นบริยาเด็คนกันตัวเสกฏคือพระโสดาบันที่เรียกว่ามังสี่ผลสี่ นิานไเรื่ยมลฮะมักสีผลสีนิานโสดาแมโซดาขนมักสีน่มัก2โซดาขนเศรษฐีธรรมะเศรษฐีธมผลนหนึ่งนาคาแมนีมักนาคานี่ขรรยาแมภรรยาขนมักสีขนสีจบมักสีขนสีอกไรไปเราต้องดำเนินเดินไปอยา มาขอเล็กที่สุดาวัสอดรับ ม, มา ก, กันโ้วยใหสดารันสังโุตสัมยุตเพื่อคิเลมันมีอยู่สอย่างเอานังสมาธิฟังต่อไนะเลกจกังแรื่นเริง่าเอากำหนดสตินั่นสมาธิเอาขอับ ส, สมาธิเพื่อให้ได้ทั้งสองอย่างได้สมาธิด้วย นั่งโกนหนังมือาขาซ้ายจะข้ามพ า, พาหรือจะเอ า, าขาวาตบขาซ้ า, ายถ้าขาซ้ัยชอบตบพขวนั่งแบกกับสมาเกต ไ, ได้ยินไหมครับสมาเกนะเอาขาซ้ า, ายทับขาพ า, พาพขึ้นก่อนแล้วดึงขาพาขึ้มาตบขาซ้ายมันจะเป็นอันมารส2ชั้นลองทำดูได้ ทําสงชั้เอาร้อเอาสายจากท่าปาดูัดสมาธิดึงล้อตรงนัทยให้วลาเท่าอยู่ข้างบนหมดนั่นอันนี้หัดสมาธิสองชั้นเส้นเองจะยืดเพราะว่ยาวหัสุราหัดสมาธิทําเป็นเดี่ยๆต็งๆให้ได้ทั้งคํ S 1> <S 1> <c oughs> ว่ากัดสมาธิเอาอยัางไรเก็ได้าการสงบแจ่บอกวิธีนี่เที่แรกเราเอาขาซ้ายขึ้นมารั บ, รบทับมาก่อนเสร็จแล้วก็เป็นฝ่าเท้าขาขวาขึ้นมารับขาซ้ายมันจะซ้อนกันมนกับความเราซ้อนอย่นะเรียก ว, ว่าตัดสมาธสองชั้นตัมนสมาธเจ็ดอนี้ก็ บอกวิธีทำแล้วบอตกำหนดสติและเลิ่อนรู้ลงให้ใจเขอกเดี๋ยวเาผ่านไปสตินับตาเขได้เลื่อนใได้ที่ดีที่สุดก็คือเลื่อนตาเพราะถ่าเลอนใจจะดีใิตญาณตาจะสุงไปเห็นอัไนไปโวยีรเ่็นมาแต่ปุ่แต่จะไม่มีสมาธิเกิดขึ้น ก, ก็เอาอาณาบานสติมนเดินอาณาบลเเขาไปไปเป้าบาลแล้วเราบอกสติก็แปลว่เรื่องนูกเอาสติไปในั่นเรื่องนู้ในในเขาเขาายาัยจะดีเพอในวุ่นวายมนะีกาอการ ยืนเดนันอนไม่มีสติสัมปชัญญรู้ตัวทำบสตยสัปัญญาก็รตัวตัวที่นมีตัวอยากอยา้างนคือตายาที่ตาที่ัวตายยก็ดาสติทั้เพราะว่าอันเดียวกันให้สติมาแล้วนรู้ิตาตายอยาคือตายาต นั่งดูยรว่าเรานวาราแก้ปู่าเยว่าัวเอร้ว่ารารมันมีความีสติสัชัญญารู้ว่าอาน้ำาม่ว่านอนก็เรียกร้อสติสัมปชัญญะรู้ตายยาอันที่สกอดสับปชัญญะรู้ตายยเรานหายใจดิน้ำมลมลตัวเ ถ้าเราอยากจล่ใจจเอาจิตองที่จะลงนั่งใจรูที่จะรู้เดินไปนั่งนอนลมีสรูนั่งลจะวัดสัมปชัญญะแต่เข้าใจมันสัมปชัญญะสติมาสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่แบบนี้ไม่ออกจากนี้จะตัวไปไหนจิก็องต่อลงใจ ก็จะเ็นเจโดม์้มหายใจเาท่านคนนี้กายตายลมนนด้เาน่ะตายเบาจิตก็จะเา เรงค้องรุ้เสิ่งเดียวกนเพาครกแตคม สังโยชน์ได้ส่านกรณีเราต้องมาดูจากว่าสกายจิตคืออะไรสกายจิตกาย ขันห์ามีในตนตนมีในขันห้าความ่อเนี่ตนคือเราเห็น ข, นนขนนนันห้าคือเราเห็นเราเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีในเราเห็นเราในขันห้าันห้ความเห็นมีอยู่สี่าง่งเห็น่าขันห้าคือเรา สเห็นว่าเราเป็นอันหน้าสาเห็นว่าอันหน้ามีมีอยู่ในเราสเห็นว่าเรามีในอัน ห, น, น, ห, น, ห น, น้ความเห็นอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นอันหน้ามีอันมีอยู่หน้าอันความเห็นของเรามีสี่อย่างสอย่างสี่ห้ายีส ความเห็นย0สิอย่างมีแ่ว่าทิฏฐิยีสิอย่างทิฏฐิคือก็เห็นยีสิอย่ยาง ค, คือทิฏฐิวิปปิทวิปปาราคาดวาจเป็นจริงทิฏฐิแต่เรามเห็นอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะไปคู่กับสมาธิทิฏฐิที่เป็นคู่กันนี่คือมันนี่แหละความเห็นผิดความเห็น่จริง ความเห็นไม่ตรงความเห็นไม่ชอบเรียกว่ารีชาริงหรือเรียกว่าอวิชาอวิชาแปลว่าไม่จริงอวิชาแปลว่าหมดเลือกคือไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุเกิดทุกอวิชาไม่รู้จักดับทุกไม่รู้จักแนวทางปมีบัทุกคือมา่โเมีเรียกวิชาความล้มจริงหรือวิจารที่จริง เม่ทนอาจารย์มันมันไปจากนมไม่ไม่รู้กไปจากใจงลงไปจากเเนี่นี่เขามหั้ห้าจนเราเราเั้นหาั้ห้าม่เราเรามีขั้าพระพระเจ้าถึงให้แยกแยกั้ห้าออกโลกโดย่างทั้้าไปหลงลูกเวทนาสัญญาสงสาริญาห อัน้รับเงินได้รับเงินได้รกองกองลูกกองไปพนากองสัญญากองสังญาณกองวิญญาณกองมาแย่กองกองลูกบนี่แหละเรามาเห็นจิกเห็นจิตเห็นว่าูเป็นเราเราปลูกลูมีเนเราเรามีเนเห็นว่ากายเปนตนตนเป็นายกายมีในตนตนมีในกายห้า ยังาแยกฟองลูกออกมาลูกลูกกายนอกรกป๋องด้วยธาตุสี่ก้าวเตื้ินน้ำลงไปก็ม่แยกฟองลูกออกเป็นสี่อย่างคือธาตุดินก้นแข้วธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟความเห็นสี่อย่างเห็นมากายเป็นเราลูกก็อันเดียวกันกายก็อันเดียวกัน ใช่ไหมเห็นว่าลูกเป็นตนเห็นว่าตายเป็นตนตนเป็นกายกายมีในตนตนมีในกายก็ถามตนกับเราก็เคยอยู่ตนคือก่เกิดสมมุตดลูกก็อเกิดสมุรเราเกิดสมมุติใจก็เกิดสมมุติสมมุตรไทยใจได้หลงเอาสมุติไปเนี่แต่แก่เนี่ยแก่ความแย่งดิ นะเรียก ว, ว่านิจชาทิฏฐิเอา้าแยกออบดินน้ำลมไฟกาหนดสติปัญญาแยกธาตุสี่ออกเป็นกองกองแล้วเอาคำถามสี่คำถามจำได้เรือยังหนึงน่งกายหนึ่งลูกเป็นตนหนดินท้องแยกเป็นดินธาตุดินแดงดินน้ำลมไปครัอะดิ น, น, น, ปาาดนเป็นเราไหม ตอบในใจดินเป็นเรามนะั้ยไม่ใช่เราเป็นดินไหมไม่ใช่ดินมีอยู่ในรไมนะไม่มีเรามีอยในดินไหมไม่มีเราคนไทยต้องมาทอยางไงนะวิธีวิธีเดินปัญญาเรียวกว่าวิอัดสรากรรมย์ากำลังทะเราทาาดินเป็นกรมฐ า, านตรงนีไ้ได้ไหม ดินเป็นคนไหมทง้งหรืคนเป็นดินไหมดินมีอยูใ่ในคนไหมคนมีอยูใ่ในดินไหมคนมีไหมไม่มีมีโดยมีโดยสมมติเขาสมมติว่าคนคนจริงๆไม่มีถ้าโสดาบัติเชื่ออย่างนีหลักฐ า, านอางนี้จริงจั่เรียก ว, ว่าโสดาได้ไม่ใช่โสเดี เชื่อใจวีรสารเทาะธาตุดินเป็นเราไหมธาตุน้าเป็นเราไหธาตุลมเป็นเราไหมธาตุไฟเป็นไหมอ่าไม่เป็นธาตุไฟก็ไม่เป็นเราเราก็ไม่เป็นไฟเราก็เป็นสมุติเขาใหญสมุติไมเป็นไงอ่าเนี่ยเรามีโดยสมุติสัตว์ปุกปตัวตนมีโดยสมุติ ผมเป็นเราไหมเอาผมเราผมเป็นเราไหมไม่เป็นผมเป็นถ้าเป็นนะมาประชุมกันเฉยใช่ไหมมาตั้งสมมุติว่าผมผมเขารู้อย่างว่าเขาเป็นผมไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นผมแต่โลกเขาหรือคนเขามาตั้งสมมุติมาเรียกให้ใชร้รวมกันว่าผม ผมึงไม่เป็นเราไม่เป็นคนไม่เป็นสัตว์ดินก็ไม่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนมีแต่สมมุติเมื่อเอามารวมกันเข้าท้อประกันสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาใช่ไหมล่ะเขาจะเต็มยังไงเนี่ยนะไม่มีเขาเรียนเขเรียกว่าเขาสำหรับตัวเราก็เรียกว่าเรา เขาก็มีเราก็มีนี่นะท่านเรียกว่าสามคนตนหลงผิดมานานแล้วหลงผิดมาไม่รู้ว่ากี่พ่อกี่ชาติตัวเรานี่ยงมายว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราสักเทอมานานาที่นี้เลย่มสิ่งทั้งหลายทัวไม่ใช่เราเข้าใจไม่ได้ไไม่ใช่ ของของเราเพราะเราไ ม, มีของของเราจะมีไหมล่นะนี่เรามาหลงรับเป็นเราเป็นของของเรานี่แหละคือมันวุ่นวายเลอ่านี่แหละที่นี่พระโสดาบันองค์นี้ละสัจญาิฏฐิวิจิจจาสีลกัตตาละมากาจะละยังไงละด้วยสติปัญญา ปัญญาและสัจจะทิฏฐิและความเด่นดคือเห็นว่าก้อนสกลกายเีหรือขันธ์ห้านีว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเราเข้ไม่ไมด้วเนี่ยละความเด่นดีได้หรอย่างเนี่ยก้อนสกลกายีมีสาบุคคลตัวตนอยู่ในนี้ไหมออนี่ยเพาเห็นถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ อยู่ไกในสมาธินะอยู่ในเบียดหน่ยสมาทิคือความเห็นจริงความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเห็นร่างกายจากแต่เขาการเชื่อสมกู้ร่ไมใสมีไม่ใช่สัตว์คนตเราเองจึงเป็นสมาธิเข้าใจไหม แต่สําหรับมิจฉาพิธิตัวความเห็นผิดของเห็นไม่ถูกต้อ ง, งเงรงงเียกว่าหลาบมิจฉาหรืเรียกว่ามิจฉาพิธ <c oughs> ิเห็นว่า ก, า, กายเหนื่ยก่อนจะกวนกายหลุดหลบไปในม้อยรูขันหันคือสัตว์คือคนคือตัวคือตนคือเราเขาอันนี้เรียกว่ามิจฉาพิธิมันคู่กันอยูี่ เมื่อจากความเห็นจริงก่อความเห็นถูกต้องก็เกขึ้นใช่ไหมงั้นเามำหลงหัวเอาสัรวิชาต้องรู้จริงก่อนความรู้จริงเพื่อสมมาทิฏฐิเกิดขึ้นพอเข้าใจว่าอะไรมะมะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคู่กันกบมีนิชพานทิฏฐิความเห็นถูกต้อง เราก็แต่ละสัจการะที่ิความเห็นมานได้แต่ว่ากายไม่ใช่ใสกคนตนตนเราเขาอย่าความเห็นถูกต้องง่ายไหมล่ะนั่นละได้ไหเมื่อความเห็นถูกต้องเบิดขึ้นตัวตัวสัยญาณตัวที่สคือวิธิปิดฉาความโลเลสงสัย ก็จะดำละเอียดวิจิกิช้าแปลว่าความเมตตสงสัยสงสัยว่าพระพุทธเจ้านี่จริงหรือธรรม่จริงพระสง์นี่จริงไหมท่านสอนพระพุทธเจ้าใปฏิบัติวไดนักปณาจริงไหมาจากไปัญญาถือถุกลอกรความสงสัยว่าศาสตร์คคตัวตนอยู่ในกาย ดับไปดับได้ยังฮะดับได้ได้ยังดับดับนี่นี่กี่ทีช้าต้องทะเลสงสัยได้ไหมแต่กว่าเราสงสัยว่ามีสัตว์ว่ามีสัตว์ตนตัวตนอยู่ในกาพอมาพิจารณาแนววากาสัตแต่เขาต่างชื่อสมมุติว่ากายไม่ใช่สัตว์ตนตัวตนเรา ความเห็นผิดคืออวิชาก็ดับไปความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับไปง่ายหม่ยากอาวิจิจิชาความโดยเลยสงสัยว่าแสงของคนมีอยู่ในนี้ดับไปสีลางค์พัลละมะก็ดับไปตามๆกันคือปฏิการเกิดขึ้นพ้ปฏิบัติศีลส่วนมากเราไป็นมนุ ไปถือพระเจ้าน้อยไปถือพยานาคไปถือเตถือพิเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปวรวงเทวดยวานวันอยากให้ล่ำ้วยอยากให้ตัเปขไว้ไปเอาผ้าไปุ่งไปนุ่งให้จนไม่ใหญ่ใช่ไหล่ะไม่ทําอีกแล้วอ่าพระโสดาบันไม่ไปทำนะอ่าที่เราทำธรรมะการตอบทุก มัดปฏิบัติต้องปฏิบัติลงใส่ตาทเราใส่วาจาใส่ใจเรียกว่าตายดีวาจาดีใจดีพอดีนะพระสรภารมีอยู่สามสามทีบวกเคยได้ยินไหมสามบอกเกวประเทศที่เรียกว่าสัตตะพปัลมะประเทศที่สเรียกว่าโก ประเภทที่สามนี่ว่า A, เอและพสีจะตั้งเลือกโสดา บ, บันโมแร่ในที่บ่อจะไล่ ไ, ไปพเป็นปราโสดา บ, บันก็ได้เห็นพระอาพรรานั้นก็เป็นไม่ได้เพราะอ่นี้ น, นบได้นนขึ้นไปทีละขั้นท่านมาขั้นตั้นต้นขั้นที่สองที่สขึ้นไปนะมักมีวแหวนต้อขึ้นไปทีละขั้น อันนี้เรียวกว่าสัต ต, ต, ตคตุปัตยมสุราภูเรสัตตคตุปัอมองค์นี้ต้องมีสัเเทธาภพสในนี้เป็นอะไ้เป็นศิห้าในน้ลเมีนบวกกุศลกรรมบทิ์สร็เรียกว่ากายกรรมสามวมีกันสี มไม่เองกายไปทำบาปชั่วไม่เอาวาไปทำบาปผู้ตายทุจริตไม่เอาใจไปคิดแง่ผู้ตทุจตสีนั้นนี่เรียกว่าโสนาบุตรสิ่หรือเรียกว่าสิ่งอริยมรรนี่แหละมันมักเปสัมมาทิฏพอเข้คือไม่เอากายไปทำบาปสั้งอยา แล้วาพเพื่อปีนกา ร, รนี่แหลศีนอายะมันศีนอันนี้นเทวา่ารียกมัเป็นศีนไทยบกโบาณนแห ล, ละเป็นข้าวมีลคนถ้าโซดาบรมนี้มีศรัทธามีศีนเรือสงเรืรยกธรรมสมมีศีนหาบวกกุศลกรรมบนศีนก็ได้เป็นพระ์โดาบัอนอง์แรกหากกลับมาเกิด ในสวรรค์หรือมนุ่น์อีกไม่เคยเปลีป่ยนแท้ก็จะเข้าสู่วรรีภารในภายภาหน้าได้เป็นแม่ชองกาอยากเป็นศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระพุทสงฆ์เป็นผู้มีศีลห้าบวกกุศลกรรมบกซิเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกายดีวาใาดีใจดีเราก็ได้เป็น น, นิยบุคขั้นต้นในขณานียงโต ปินอะไรก็โดนนะไม่กลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกแล้วไม่กลับไปเกิดเป็นเปรตอีกแล้วไม่กลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เกิดเป็นอสุรกายอีกแล้วเดี๋ยววานนี้จะโตบุคคลบุคคลทโกงตรงต่อสุขเตะห้านี่พัสดาบันตรงแน่มักขันตต่อมต่อมาก็โกลังโก พระโสดา บ, บันตรงนี้จะตลัมาเกิอดอีกในเมื่อคืนี้สวรรค์ไม่เกินสามชาตก็ไปไมพผ่านางานทาสนาพระโสดา บ, บันตรงนี้ต้องเป็นพวกศรัทธามีสีมาบวกอีกดงงดาเห็นธรมเห็นงา่เห็นธรรจะอยากเป็นไม่ไ้ไม่ง่างยดวกดานั้นธําไม่โห็นธรมในคนทางา เห็นสิ่งใดสิ่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายดับไปเป็นธรรมดาเห็นอนิจจังทุกข์างธรรมดาเป็นลรรมดาเเห็นสิ่งใดสิ่งเกิดขึ้นได้หรือสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงไม่เที่ยงฮะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนิตจัไม่ใช่หรือ ไม่ใช่กเป็นอาต า, ตาอันนี้ในว่าดวงต า, างทานทำเห็นสิน่งใดสิ่งหนึ่งเกิดยกตัวอย่างอคาอะไรเกิดเห็นทันห้าตุดทั้ห้าก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันเข้าใจไหมตาเห็นรูปตากระกับลู ก, กเกิดความรู้เรืแล้วดับไหมฮะดับไ้ย เห็นอะไรนีจันทร์หรังเห็นอะมันดันมืเห็นสิ่งใดสิ่งนเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองตากะเพาะพกมันเกิดอิรยาบุกขึ้นมาเองไม่มีใครสร้างใชนไหสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเางตากระเพาะกระเพาเกิดความรู้ว่าเห็นลูกนั้นลูกนี้แล้วกระดับลงสิ่งทั้งหลายก็ดับลงเป็นธรรมดาเห็นพูดง่ายๆว่าอาากญได้ฟังปรนั้น ทำมาจากก็เห็นสินส่งใสหน่กบกันแล้วกเกิดโลกภาหนอกมากระทบโลกลยโลกเกิดกับจับต้องกันเข้าใจไหมอันหาเกิดกับกับต้องกันไรีว่าเห็นสิ่งใดสิงึมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตายในโล ก, กเกิดขึ้นธมาเมืม่อได้นเสียงบ เ, เกิดอัหาเกิดขึ้นแล้วกะจับไปเป็นธรรมดาเรียกว่ า, กกาดวกตาัห็นธรรม ไม่พบในมังกรองค์นี้หากกลับมาเกิดในสวายุไม่เกิดสองขาชาติก็ดับพันเข้าสู่พิภพในอายครั้นาได้แล้วองค์ที่สองก็เป็นได้แล้วเห็นว่าองค์ที่สามนี่วัดเอตคีชีเอตเปวัเอเอวั เอกกับดหากกลับมาเกิดในมนุษย์เลียงชาติวอยากไปไหมฮ ะ, ะเพียงชาติเดียว่าสุขนินทางไดอ่าบุคคลนี้ก็ต้องพัสสาบานก็มีต้องสัจค า, าสีลดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังตุคตานิจจัเห็นอริยสัจษีก็เดยกันแต่เห็นพลังลาหมันชัดเจ็ นีเนีย่ยมาองค์สุดท้ายก็มาละสัพยะธิทิฏฐิจิาาติฌานีิรพัสปรมาจาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นอากตายสักแปลว่าเขาตั้งชืง่อสมมุติว่าตายมีสัตว์อุกคลตนตนอยู่นีนนี่ไหมมีไห ม, มไม่มี กายไม่มีสัว์คืคนตัวตนอย่างไรนี่นสัมมาทิฏฐิความเห็นจุกต้อมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นไม่ถุกต้อเห็นแต่ก่อนเราเห็นว่ากายเนี่ยคือสัตว์คือคนคือตัวคือตน ค, คือเราคือเขาต่อเมื่อเรามาแยกชาดออกธาตุสีดินน้ลมอไร มาถามทำถานสี่อย่างถานแล้วถานอีกจําได้ไหมทำฐานสี่อย่างนะดินธาตุดินเป็นเราไหมหนึ่งเราเป็นดินไหมสองดินมีอยู่ในเราไหมสามเรามีอยู่ในดินไหมสี่ขันห้าเป็นตนไหมขั้นห้านี่ขันห้าลูกกําหนดเป็นตนไหม ตนเป็นขั้นห้าไหมสองแล้วขั้นห้ามีอยู่ในตนไหมสามตนมีอยู่ในขั้นห้าไหนสี่ความเห็นสี่อย่างนี้เราดับความเห็นสี่อย่างนี้มุ่งควาเห็นอีกสี่อย่างสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องก็ถูกก่อนจะดับได้ร่าได้ต้องกลับไปบ้านแล้วไปถามครอบครัวลูกถามแล้วถามอีก คำถามสี่อย่างช้าเป็นการงานเป็นประโยชน์ไม่เอาคำถามไม่เอาสี่อย่างไม่เอาจริงนาก็เอากรรมฐานนิพพานากรรมฐานติดกันเลยกรรมฐานสาสองอย่างอย่างใดอย่างมาถามก็ทะลุใส่กันหมดเพราะว่ากว้อนตะโกนไครกว่าเพื่อกรรมฐานส2อย่างเท่าใจไหม สมสัยว่าเอาผมมาถามผมเป็นเราไหมไม่เป็นเราเป็นผมไหมไม่เป็นผมมีอยู่ในเราไหมเราไม่มผมไหม น, นี่เอาเล็บมาถามเอาเอาหนังมาถามรอกหนังบอกมากรองเลยหนังเป็นคนไหมคนเป็นหนังไหมหนังมีในคนคนมีนหนังคนอยู่ไหมคนไม่มี มีแต่โลกสมคนเขาสมุติว่าคนด้่ยคนจริงๆไม่มีพระโสดาบันตรงนี้เนี่ยรียกว่าเอกับซีอาจจกลับมเกิดในมนุษย์อีกเพียชาติก็เป็นไปไดเพราะเกิดปัญญ่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแล้วความเห็นถูกต้องแล้วนะ มีแต่สัมมาสังกปัปปวิจะคิดจะออกหนีออกนี้จากบ้านจากช่องจากห้องจากหมอนดันนีออกจากกามสัมมาสังกโปการตัวสีจะล้อมบ้านช่องห้องหองบุพภรรยาสามีเขาเรียกว่าการดันหนีออกจากกามอยากจะห น, นีออกไปอยู่วัดหรือว่าโวดเป็นแม่สีแม่เกาไปแล้ว <laughs> นี่แหละความเห็นถูกต้องใช่ ม, มดันดีถูกต้องความคิดถูกต้องความเห็นถูกต้อ ง, เ ห, องเห็นว่าขันหา้างหรือว่าอากสัตนมันจะไปฆ่ากันไหมท่านนี่เหล็กับธรรมจะไปฆ่ากันสมัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิดำไปในกายของเรานี่ก็จะมีตาใช่ไหมมีหูจะมือมีกายใจคร เรีกว่าโลกภายในเรียกว่าโลกภายในเมื่อมันไปไกทยกับโลกภายนอกลูกภายนอกนามนามคือนานามแปะบ่าน้องจิตเขาจิตเราน้องออกอารมท่านเรียกว่านามนามแปลว่าน้องจิตน้องออกรับอารมณ์ก็วิญญาณกางออกรับอารมณวิญญาณถึงวิญญาณจมูกวิญญาณท่าเรียกว่านาม กินน้อมรับรัอารมณ์พอรับอารมณ์เข้ามาจินก็สะเวยอารมณ์เรียกว่าเวทนาเกิดกิอารมาลได้จำลูกเท่านั้นกินรดนั้นได้ก็เรียกว่าสัญญาจิตนาเอาอารมณ์มาลสัญญาลงไปปรุงแต่งเารียกว่าสังขารโูกหนึ่งหนาสี่เรียกว่าสังขารเกิดเกิดกับร้องกันในอย่างนี้เป็นสังขติไม่มีใครปรุงไปแก่ง เวลามระกกันทีไหโลกก็จะเกิดขันม่าก็จะเกิดเราหลับพร้อมกันอย่างนี้พระโสดาบันนี้เป็นผู้มีสมาธิและสังเกตุจิติได้เข้าใจไหมเอาอะไรมาละสังเกจิติเอาปัญญาเอาสมาธิดีเข้าใจไหมเอาอะไรม า, มาล ะ, ะวิจิติฉาเอาสักขา สัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมาดบบวิธีผิดฉาเอาอะไรมาพลาดเสียพัดเปลามาปั้มประพฤติในสียงผิตผิทางประพฤติผิดทางรักษาศสียงไม่ถูกสียไปรักษาอะไรเขาเรียกว่ารักษาสารพ่ปุ่มใช่หมเ <laughs> ตรียถึงหาอาหารไปเลียงสาร พ, พ่ ป, ไ ป, ไ ป, ปุ้มเป็นวเป็นปัจุ ทำไมไม่ปัดกิากายวายจยัยแลอกอย่างนี้น่นะเขาเยอดศีลปพระปรมัยเอาอริยญาณสีนิพพาน อ, อกกายดีวิจาดีปฏิบัติกายความกับอกใจดีแล้วบอกศิลปมาทัยดับลงเ้าไหมอ่าสัทธาความเชื่อความสงสัในพระพุทธเจา้าว่าทางประสง์จะเป็นข้าวิจิตรฉาบโลเลสงสัยปัญญาจะมาข้าสัตยคิิ ตัวสัมมาทิฏฐิยัมั่ค่ามิทธะทิฏฐิเราก็ได้เป็นโสดาบันโมสุภาเมื่อตาเห็นรูกใครเห็อาใครเห็นตาเห็นลูกใครเห็นเราเห็นใช่ไหมคนเห็นใช่ไหนอะไรเป็นคนเห็นอะไรตาอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเห็น ไม่ใช่เราเห็นให้เข้ใจนะเ้ากระโดจุ่มให้ลมลมเป็นสีเห็นยาดวนว่าเราเห็นถูกไหมท่านได้ยินยาดวนว่าเราได้ยินเราได้ย็นใช่ไหมเรามีใช่ไหมเราไม่มีเรามีโดยสมมติไม่เราเห็นไม่ใช่เราเห็อันนี้จะมาดับความโลกดักรอาโผลได้ พาอจับข้าวหลงได้แต่กวนร้องอาวเรามีใช่ไหมใช่ไห้แง่ๆง่ายๆมากกว่มารวมอยู่สมาธิเยอะถ้าเราเห็นมันก็เกิดความโลภเกิดอยากขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราเห็นเห็นสักแต่ว่าเห็นเวลานั่งสมาธิก็ไม่มีเราสักคนมีแต่ความรู้เจอโเจเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อมี ก็จะรู้เสือง่ายไหมอายดับความโลภได้ไหมนะจะดับความโลภได้ไหมดับความโกรธได้ไหมอ่าเพราะดับมิจฉาทิฏฐิคือดับความหลงผิดดับความโลงความโลภงดบความโกรธยังดับอยง่ายไหมอาจารยเพราะ หูได้ยินเสียงก็มไม่ใช่เราได้ยินอยากหวนใ่าเราได้ยินผมลงบทที่สี่น้องดาวดใหม่ๆด้วยกันนะหลวงพ่อสอนให้เราทุกโตเย็นลงไปแต่เราถ้าผู้ได้สมาธินี้จะดับมิจฉาทิฐิได้เร็วกว่าปัญญาที่เห็นในสมาธิเรานำสมาธิที่ว่าสว่างสว่างของ เชาติเป็นธรา้ใชไมินดีมีินดาได้ยินเสียงลมพัดก็ได้ยินแต่มันไม่ดีแไม่มีดีไได้ยินเสียงคนพูดกันก็ได้ยินอยในการพอสมัยได้ยินเสียงด้วยซาำของญาติทั้โยกอทบกันก็ได้ยินแต่มันรู้ใช่โตไรู้รู้ใชทุกโรู้สึ ดูแล้วในสิ่งที่เรียนรูอ่านี่แหละมักมักมีองค์เดย่อลงมาเลยสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิถ้าดับอันนี้ดับตัวเราลงได้เรามีหรือฮะเราไม่มีหรือไม่มีเราเห็นหรือเเมืเ่ออายะจะนั่งภายนอกภายหนกระทบกัน วินญานณรู้ทุ้ขเกิดผัสสะตัวผัสสะถ้าเราหลงสำคัญตนว่าเรามีมันจะเกิดเวทนาขึ้นเกิดสุขเวทนาเกิดราคาะเมยตาหมองเพราะอะไรไหมเกิดทุกขเวทนาไม่มีพอใจก็เกิดปฏิคารเมยตาหมองเนื่องจากว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความรู้ไม่มีการนอนมีใจลอ มีลสังโยลดสสังโยนดแปลว่าที่เกเป็นรัตนวัตสตยอในพวกในชาตนมีที่สสุดใรับต้องรับสงโหลาอย่คือละสัตยญาติที่ดีชาตสิทธพ์ตลอดมาก่อนนี้พระสุนรัทก็ต้องมีศรัทธาเัทธาม้องฆ่าความเมตสาใจดีติดชาศรัทธาความเชื่อ ใ น, นพระเจ้าของพระสงฆ์ศัทธาเป็นผูน้มีศีลศีลตั็นี้จะ ม, มาฆ่าศีลก็เป็นม า, กกน า, านนตรฐ า, านพระสงฆ์ตัวนี้ตัวศสัาาทชาศีลศัทชามีศีลมียาขมีปัญญาพระสงา์ตังนี้ตัวปัญญาระมาค่าสัพยาคทิเข้าใจสัพยาคติไหมนะ ความเห็นว่าขัานห้าเป็นตนจำได้ขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขัานห้ามีในตนตนมีในขันห้าทิพฐ์ียี่สิบอย่างสี่ห้ายี่สิบเรียกว่าทิพย์นิพพานนีป ร, ะะปรานฆ่าเพื่อนจากความหลงติตัวปัญญายนี่มันจะฆ่าสัจจะทิพย์จับลงตัวสีงมันจะฆ่าเสีลงพัทธปรมาจตุลงตัวศรัทธานีบ ถ้าความโลเลสงสัยดำรงเราก็ได้เปน็นพระสดาบันองค์เด่กหากมาเกิดในมนุษย์หรือในมนมุษย์ก็เปลี่ยนใจเปี่ยนก็จะเข้าสู่พระนิพพานเข้าได้ไหมล่ะท่าทำไมไม่ถึงเข้าได้พระนิพพานแปลว่าดับสนิทดับอะไรสนิทดับวัตถุสงสาร ควาเรียนร่ายเอะไรเรีนรายกเนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมทางนนะอะไรเรียนร่ากายเหันหางตาเห็นลูกตาหูจมูกยิ้การใจสงค์ข้เขาเรียกว่าลูกภายในโลกภายในเข้าใจไหลูกเสียงติดรถโบสถ์ทุท่าทำไมนนสงฆ์ข้เขาเรียกลกภายอกหรือลูกภายน เมื่อลูกภานอกกับลูกภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าโลกเกิดดูจะโลกเกิดไหมยะไรที่หนึ่งละขันห้าเกิด อ, อันเดียวกันไหมอันเดียวกันขันห้าเกิดแล้วก็ดับมันดับแล้วเกิด อ, อีกดับเกิดกับหมุนเป็นวัฏจักสงสารนี่แหละรักษาสงสารเกิดพบแล้ ว, พ บ, ล ว, พ, บลวพบเล่าพบเก่าพบใหม่ นิ้พานแปลว่าดับส น, นิทดับอะไรส น, นิทพระเจ้าค่ะดับวัฏจักรสงสารอะไรคือวัฏจักรสงสารตอบได้ไหมถ้าตอบได้สอบได้เลยเรียนจบเลย <c oughs> วัฏจักรสงสารคือความเวียนว่ายไปเกิดของขันหามันเกิดพบแล้วพบแล้วตาเป็นลูปขันห้าก็ทํางานเกิดพบหููได้ยินเสียงจะมูกได้กลิน่น น, น้วมือนิ ครบแล้วเราหมุนดับวัดจะสันสารวัือดับครบดับชาติไดเพราะยังไงล่ะด like no kind of ับวัดตกสันสารได้เราก็เห็นพระนิพพานจิตของเราก็จะนิ่งว่างสว่างสอยอารมณ์ไหนอะเข้ามาก็ไม่ดนดีอารมณไหนอะไรเข้ามาไม่ยินดายจิตก็นิ่งว่าเป็นกางดูนี่ มั่งงงแตกย่อลงมาแล้วลอยู่สัมมาทิฏฐิเท่านี้ง่ายไหมเอาไปทบทวน ด, ดูถามเนี่ยได้ฟังไปทบทวนจะเห็นว่าอ๋อเราไม่มีทิฏฐิอภิชาหลงว่าเรามีคทนหรือมิจฉาทิฏฐิความเท็จเห็นว่าเรามีอยู่ในกายาใช่ไหม เมื่อเรา้ม่มีอาการกายก็สัตว์แต่ว่าเขาตั้งชื่อชากาเมทนาสัตว์ทเวไทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเขาเกิดขึ้นดั้งโยดังไปเป็นอนิจจังทุกข์ั้ น, นัแล้วก็เห็นฐานาเป็นอนิจจังทุกขั้นงนัไม่มีใครมาปอทานฐานนาดับฐานนาได้เพราะเข้าสูา่อานมักมีองค์แปเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสััะ สัมมาวาจาสัมมาปัญโถสัมมาสิสโสัมมาปายาสัมมาสติสัมมาสมปिิก้อนย่อเเป็นสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาปฏิบัติมิชฌาปฏิบัติก็คือความเห็นเิดสัมมาปฏิบัติก็คือความเห็นถูกต้องปฏิบัติถูกต้องอ่านันมมีรพูดขยายความออกไปใช่ เรียกว่าเรามาน่ำสมาะที่เรียกว่าเรามาบำเพ็นภาวนาบำเพ็ญภาวนาแปลว่าการจัดทำใจฝึกใจปฏิบัติใจเรียกว่าบำเพ็นภาวนาอันทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะอันที่สองก็ทำใจให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่จริงทำใจให้เกิดปัญญาก็เรียกว่าิปัสสนาง่ายๆมีเพียงยอดนั่นแค่นี้ อยู่ใจดวเดยวหนึ่งใจสงบสองใจเปิดธรราเป็นสมาธิตั้ง ม, ามาันมักเปิดมีโอกาสเปอดออกมาพอเขต้องใจไปไล่ดูเมื่อต า, าตาตเปต า, าตาก็เรียกเป็นหน้า น, ะนะ่างเกิดขึ้นแล้วดถ้าเราไม่กวดตาเราก็เกิดี่เล็กตันา ถ้าเราโต้กันกันม่ะว่ามีสัตว์ปู่โง่ตัวนึ่งีกัหาเวยแล้วก็ดกไม่มีใครุทานทั้งห้างก่อนดับทุกแบบไม่มีอะไรนะนี่แหละมั้งมีองค์แก่ยอประมาเลยอสมาธิเวลาพูดทำไมว่าขยายไปเป็นศีลสมาธิปัญญาเวลาพูดทำไมมาเอาเปัญญากันน เวลาพูดทำไมเสียงด้นกว่ามันพูดสลับกันได้เขาก็เคยเดียวกันว่าอย่าง้เสียงก็คือใจปกติสมาธิใจตัองมั่นปัญญาใจรอบรู้ในความสังกกายก็มีแค่นี้คือใจรวมยนพูดตามปีติยาการใจเฉยๆว่าเป็นมักเด็าที่นี่มักด้วยเรื่องโทรบกวนไปเราได้น ไม่ใช่ว่าลูบเวลาคเพื่ออะไรเพื่อเห็ลูบเวลาคา่ะสำรวจของกลางอัลูเลาคะเื่ออะไรเข้าใจไหมฮะเพาะเข้าใจไมลูบเวล า, านักเรียนไ่ยังไม่ได้เรืน่นทน่าฟังยากนะเข้าใจยากลูบเรลาคาือลูกชา อารมณ์าะค่อาร์การตัวมานะอตลอดโลกตัวจารอจาก็คือความคุ้มซับความคุ้ับในการเดินยามขาดใจเพราะว่าเราหดว่าใจเป็นเราใจเราสั่งแล้วใจจะขาดใจจะขาดกันงายอารมณ์ระาอารมณ์าระ่ได้ มาติด่ในลูกชานลูกสาาที่ลกชานก็จะไปเกิดใขภพมรรตั้งแต่ก่อนํมไยก่อนทุกาลือษีจีนไทยพุทธภาวนาได้อภิญญาสมาบัติเตูกบาราตาลูกบราตาลูกชานลูกชานกดแต่เขาก็ไอยู่ในภพมรรคเขาเรียกหล่นมาเป็นพระ มันสุมมกมาในชาในสมาธิหลงมาเป็นพระนิพานเมื่อตลาแต่ทั้งดอกก็เลยเกิดเกิดโคมลอเสียเวลานานในโมโลอยพันลูกโคมโคกลอยแม่ก็ อ, อายุห่งวันในโคมลอโลอกเก้าล้านปีในลอแต่ไปเสีเยเวลา อมตะพระศิล์พระเมตตาพรมากอุบันคับยังม่หมุดไทยโฮโหตายอยู่บนโตนค่ายอยู่โมโอมตะอายุยืนนานให้ร่างกายแข็งแรงก็ยังดีกว่าปบกรดดัวใบระพูไปไ ป, ไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกกลับกันเมือมงนรกแรกวันเดียวเท่ากับกาลนานนี้ ใช่าง่ายกลับมาเป็นคนอ่ามนุษย์ถึงเป็นพวกตางๆเอาวันนี้เราพูดมาพอสมควรใช้เวลาพอให้เราท่านหลาปลกให้ตื่น้รู้จักโลกจากอา์จากสมุติรู้จากสักขารจิตถิวิตีปิจารียธรามเข้าใจในสีธรรมะ จักรยานตที่มีอิจฉาปัสสาวะบันทำให้เป็นไม่ได้ดังพวกมาแสดงมาก็สมควรแก่เวลาอวางข้อมี